สวยสุขเวทนามีอามิ t <ounds talk S 2> h <Yeah>. ก like, ็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนามีอามิตรหรือสวยสุขเวทนาไม่มีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยสุขเวทนาไม่มีอา mith สวยทุกขเวทนามีอามิตรก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนามีอามิตรหรือสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิ t h ก็รู้ชัดว่าเราสวยทุกขเวทนาไม่มีอามิตร